ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยสีปทุมกำลังนำเสนอคำกล่าวของพระสารีบุตรเถระทิ้นเรกล่าวธรรมกถาเป็นหัวข้อหัวข้อมาโดยลำดับตามปกติแล้วในคำพีนั้นจะเรียกว่าพระคาถาหรือคาถา พอดีเป็นพระเถระกลาก่าวก็เรียกว่าเถราคาถาแล้วก็ระบุ ช, ชื่อพระเถระเรียกว่าสาริบุตรเถระคาถาคือคาถาของภาษาสาริบุตรเถระวันก่อนได้พูดมาถึงช่วงข้อที่พันเก้าบ่อนิบบานห้าเหล่านี้คือการมาชั้นหนึ่งพยาบาทหนึ่งจีนมิทะศหนึ่งอุทจจะคุกุจจะหนึ่งวิจิกิจชาหนึ่ง เป็นเครื่องเศร้ามองใจของภิกษุพอดีท่านกล่าวกับพิสุขท่านก็พูดว่าเป็นเครื่องเศร้ามองใจของภิกษุประเด็นตรงนี้ขอให้ท่านสาธาชนตั้งขอ้อสังเกตเวลาเราอ่านหนังสืออะไรก็ตามคือบางครั้งมันเป็นการระบุคน ระบุเป็นผู้หญิงระบุเป็นผู้ชายระบุเป็นข้าราชการระบุเป็นทหารตรำรวจนักการเมืองอะไรแต่ไรนี่นะแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วความดีความชั่วนั้นเป็นเรื่องสากลเกียงแต่ว่าใครทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วพอดีในกรณีนั้นเขาพูดกับบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นจึงระบุอย่างนั้น บรรธรรเครื่องเศร้าหมองใจสำหรับภิกษุเพราเพราะท่านพูดกับภิกษุอยากยกตัวอย่างพระพุทธภาษิตที่ว่าอิทีมะาลาังพระมจยริยศักดิผู้หญิงเป็นมนทินของพระมจรย์ซึ่งก็หมายความว่าเป็นการพูดกับผู้ชายพระมจริย์ของผู้ชายนั้นมีผู้หญิงเป็นมนชิแต่ตะพูดกับผู้หญิงล่ะ ก็บอกว่าผู้ชายเป็นอันตรายของพรหมจันทร์ของใครล่ะของผู้หญิงธรรมจึงเป็นสา ก, กลหมายความว่าอะไรก็ตามที่เป็นปฏิปักษ์คือตรงกันข้ามกับหลักการในการดำเนินชีวิตของตัวเองก็เป็นอันตรายของบุคคลพู้นั้นแนหะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตาม เพืบางครั้งเพื่อให้ชัดเจนว่าสภาวะชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นนะเช่นว่าสังขารทั้งหลายไม่ที่สังขารหมายทั้งมีวิญญาณไม่มีวิญญาณเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งเป็นเทพเป็นอะไรก็ตามไม่เชี่ยงเรื่องธรรมะปฏิบัติเช่นว่า ขันติห้ามไว้ซึ่งความผุนผันของภิกษุแต่ถามวขันติที่เกิดขึ้นภายในใจของชาวบ้านเกิดขึ้นภายในใจของเด็กเกิดขึ้นในภายในใจของผู้หญิงของผู้ชายของข้าราชการของทหารของตำรวจของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยตามมห้ามไว้ซึ่งความผุนผันได้หรือไม่ก็ใช่ก็เหมือนกันนี่ความเป็นสากลของธรรมะธรรมะไม่ใช่พู้เฉพาะคน แม้บางครั้งบากล่าวจะเรียกก็จะเรียกชื่อเช่นว่าคาวัตธรรมเนี่ยเรียกว่าธรรมะของผู้ครองเรือนมีสัจจะมีธรรมะมีขันตินิจักะถามว่าคนทุกคนต้องมีสัจจะไหมคนทุกคนต้องมีธรรมะคือการฝึกปลือตัวเองหักท้ามใจตัวเองขบใจตัวเองไหมคนทุกคนต้องมีขันติตามสมควรแก่กระหน่ำไหม คนเราจะต้องมีจากค่าคือเสียสละให้ปันแบ่งปันซึ่งกันและกันไหมก็ตอบว่าใช่เห็นไหมไม่ใช่เฉพาะเจาะจงคาราะแต่ว่าเป็นการแสดงว่าคาวาะคือผู้ครองเรือนทั้งหลายแล้วก็หมายถึงพระด้วยนะพระเองไม่ได้ครองเรือนหรอกแต่ว่าต้องครองธรรมะเหล่านั้นธรรมะเหล่านั้นก็ต้องมีอยู่ภายในจิตใจของพระด้วย ความเป็นสากลของธรร ม, มานั้นบางทีอย่างที่พระสารีบุตรแสดงก็หมายความมณีวเนี่ยมันเป็นเครื่องสร้มองใจของคนทุกคนในโลกนี้เกิดขึ้นที่ใจใครก็ทําใจของคนเหล่านั้นให้สรางมองพอดีท่านแสดงกับพิกสุท่านก็กล่าวอย่างนั้น ประการต่อไปท่านบอกว่าสมาธิของภิกษุผู้ชอบอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่หวั่นไหวด้วยเหตุสองประการคือเป็นผู้มีสักการะและไม่มีสักการะหมายความมาสมาธิของบุคคลที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะหมายความมาสมาธิก็คือสมาธิได้แก่การตั้งสติระลึกรู้อยู่ในอารมณ์ อันทำจิตใจของตัวเองให้สมงบกอด้วยความไม่ประมาทก็คือการอยู่อย่างมีสตินั่นเองทีนี้เมื่อคนมีสติแล้วก็มีสมาธิจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเราก็กลับไปดูที่นิวร์ว่าการหวันหววหว่นไหวด้วยมีสักการไม่หวั่นไหวด้วยมีสักระหรือมีสั ก, กระ หมายความมาได้เคารพได้ความเคารพนับ hmm. ถ so, really ือจากคนหรือไม่ได้รับความเคารพนับถือเนี่ยคือท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อไม่มีกิเลสเป็นเหตุอยากได้อยากมีอยากเป็นท่านก็ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เสียใจเพราะไม่ได้เพราะไม่มีเพราะไม่เป็นดังนั้นที่เป็นกระบวนการสามอย่างเนี้หมายความมาเกิดเป็นกระบวนการสองข้อแรกเป็นหลักคืออยู่ด้วยความไม่ประมาท กับสมาธิเนี่ยเขาเป็นอันเดียวกันถ้าคุณประมาทคุณก็ขาดสมาธิคุณขาดสมาธิแสดงว่าคุณประมาทเมื่อคุณไม่ประมาทคุณก็อยู่อย่างมีสมาธิทีนี้จิตที่มีสมาธิเพราะมีสติคือเรื่อมีสติกับสมาธิแต่อย่าลืมว่าในขณะที่มีสติสมาธินั้นศรัทธาก็มีความเพียรก็มีปัญญาก็มีรวมแล้วก็มีครบทั้งห้าอย่างแนะน่ในในพระละ ในพลัดทั้งหประกาศโดยสภาพจิตของท่านี่ไม่หวั่นไหวอยู่แล้วราบเท่าที่สมาธิและความไม่ประมาทยังมีอยู่ที่จริงเราพูดถึงความไม่ประมาทเฉยๆก็ได้มันคล้ายๆกับเราพูดถึงแกงชนิดหนึ่งสมมติเราพูดแกงส้มอย่างนี้เราก็ต้องนึกว่ามันมีเครื่องปรุงกี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าว่ากันไปพูดหรือไม่พูดล่ะ ก็ได้ก็บอกแกงส้มใส่มะนาวสม่โมดอะไรอย่างนี้บุหรี่แกงส้มใส่มะนาวแต่ว่าการเป็นแกงส้มมันตรงมีเฉพาะมะนาวหรือเปล่าเขาเปล่ามะนาวเป็นเครื่องปรุงอย่างหนึ่งเพราะไอ้สิ่งที่ทําให้เปรี้ยวนั้นมันมีหลายอย่างผลีแกงถ้วยเนี้ยมันเกิดใส่มะนาวขึ้นมาบะแกงส้มมะนาวหรือแกงส้มไส่มะม่วงแกงส้มใส่มะดันแกงส้มใส่อะไรไม่รู้เปรี้ยวเนี่ย แกงส้มใสน้ำส้มใส่ชูแกงส้มใสน้ำส้มจากแกงส้มใส่นั้นๆน้ำก็ว่ากันไปแต่ว่ามีเครื่องปรุงอีกอื่นเยอะเลยไม่ต้องพูดนะคนรู้อยู่แล้วบอกเพียงอย่างเดียวว่าแกงส้มใส่มะนาวหรือว่าน้ำพริกมะนาวอย่างเงี้ยเอาน้ำพริกมะนาวสิ่งที่ใส่น้ำพริกน่ยมันเยอะแต่ว่าถ้วยนั้นพอดีใส่มะนาวแต่เครื่องปรุงก็คือเครื่องปรุงอย่างที่เคยใส่ ของเปรี้ยวๆอย่างอื่นลงไปนั่นคือคือการมองธรรมะมองธรรมะว่าเออธรรมะนี้ก็เป็นกระบวนการทีนี้ไอจ้จิตที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนจะต้องในรับการสักการะเคารพนับถือบูชาของบุคคลบางพวกแต่ก็ไม่ได้รับการเคารพนับถือบูชาของบุคคลบางพวกสามธรรมดาไม่ธรรมดาขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังมีคนไม่นับถือเล ย, ยมีคนตั้งตัวเป็นศัตรูเลย คนนับถ so be ือก็นับถือไม่นับถือก็ไม่นับถือแต่ท่านไม่ได้หวั่นไหวมันไม่ได้เกี่ยวมันเป็นเรื่องการทำดีส่วนตัวของท่านใครจะนับถือก็แสดงว่าเขาก็รู้ดีรู้ชัวเองเขาไม่นับถือก็ไม่รู้ดีรู้ชั่วร์ตัวเองเพราะถ้าเขานับถือเขาก็ได้ดีเพราะอย่างน้อยเขาก็มีมุติตามีศรัทธาเขาไม่นับถือเขาก็ไม่ได้ทั้งมุติตาไม่ได้ทั้งศรัทธา แต่ว่าคนที่มีสมาธิอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นเขาไป่ได้เสียอะไรก็มีครบทั้งสองอย่างคือมีทั้งความไม่ประมาทแล้วก็มีทั้งสมาธิอยู่ภายในใจของเขาท้วันลอาตั้งเกตอีอย่างหนึ่งนะว่าทุกข้อนี่นะทุกข้อเราแยกแยกเดี่ยวอะไรแยกเดี่ยวเอาข้อเดียวเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตเอาข้อที่หนึ่งพันสิบ หนึ 1> 1, ่งันสิก็อยู่ด้วยสมาธิแล้วก็ไม่ประมาทหรือว่าไม่ประมาทจนเกิดจิตเป็นสมาธิแล้วจากนั้นจะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ทีนี้ด้วยมีสักการะไม่มีสักก า, าระสมมูรณทั่วไปถ้าได้รับการสักกาะระคารพนับถือบูชาจากบุคคลทั้งหลายก็ยินดี ถ้าไ่รับสั่งการรับบูชาเคารพนับถือจาก บ, บุคคลทั้งหลายก็อินได้ก็เสียใจเพราะอะไรเพราะตัวเองมีความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่นี้ถ้าเหล่านี้ท่านไม่อยากได้ท่านไม่อยากมีท่านไม่อยากเป็นเป็นกระบวนการของธรรมะที่เบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเขาจากนั้นจิตก็จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆและจะไม่หวั่นไหวในลาบในยศ ใ, ในสุขในสรเสร์ในอะไรต่ออะไรต่าง ใจจะไม่ฟูไม่แพ้กับอารมณ์ทั้งหลายก็ต่อไปบอกว่าบุคคลผู้ชอบเพ่งฌารผู้เพียรพยายามเรื่อยไปพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันสุขุมผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งอุปาทานนักปราชเรียกว่าเป็นสัตว์บุรุษ คนนี้พูดถึงเหตุแล้วก็พูดถึงผลผลก็คือความเป็นสัตวบุรุษเป็นอาการที่ปรากฏทางกายทังวาจาทางใจของท่านตัวเหตุก็คือหนึ่งคือชอบเพ่งฌาน2ก็มีความเพียรพยายามเรื่อยไปในการอะในการเพ่งฌานและถึงจุดหนึ่งเนี่ยพลังสมาธิสูงขึ้นจนบรรลุฌาน ก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยความสุขุมล่มลึกละเอียดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นพิจน า, นามธรรมนะเราเห็นว่าพิจิณาความรู้สึกภายในใจพราิในขณะนั้นจิตใจท่านสงบชานเนี่ยมันทำให้ใจสงบชานมันมีสองอย่างนะเขาเรียกว่าอารมามนูปนิชานคือเพ่งอารมณ์มันก็เกิดสมาธิถ้าเพ่งลักษณะมันก็นำไปสู่ปัญญา พิจารณาเห็นแล้วก็ปัญญานั้นก็จะสุขขุมรุ่มนึกลงไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆจนปนถึงจุดหนึ่งนี่มันเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอารมณ์โลกอารมณ์โลกมันจะวิจิตรพิสดารสวยงามยังไงก็ตามคนจะอยากเข้าคิวไปดูกันมากมายกลกองในส่วนต่างๆของโลกบาทีก็อุตราบินข้ามโลกไปดูแต่ว่าท่านเหล่านี้ไม่ใส่ใจเลยแต่ว่าเกิดพอใจที่จะ ทำยังไงว่าอุปาทานเนี่ยมันจะหมดสิ้นไปเพราะพอท่านมาเพ่งฌานแล้วก็เพียรพยายามเพ่งฌานอยู่ราไปปัญญาที่ละเมตดละเมตดละไมละไมทั้งทั้งหลายนี่มันจะทำให้โปร่งเบาสบายสลละสลวยเยือกเย็นใจก็จะโน้มน้อมเข้าหาในสิ่งที่ประณีตขึ้นไปกว่านั้น บัญญาเห็นสิ่งที่ประณีตแล้วก็ต้องการใหนประณีตขึ้นไปกว่านั้นจนถึงจุดหนึ่งก็ยินดีที่จะเห็นอุปาทานคือความยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งทั้งหลายนะในทั้งขานทั้งหลายอุปาทานบางทีมันไปยึดตัวนามธรรมเช่นะยึดตัวสุขเวทนาที่เราสมัง่งกำลังสัมผัสอยู่หรือไปยึดในตัวสมาธิถ้าว่าติดสมาธิอยู่เนี่ยก็เป็นอุปาทานเหมือนกันนะครับ เ ป, เป็นอุปท า, านเหมือนกันเป็นศีลพัตุปาทานถือมั่นโดยศีลวัดที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติแลนึกว่าสูงสุดแล้วสุดยอดแล้ว อ, อย่างในกรณีของอ า, าราดบทการามาโคตุตการาบทรมามบุตรเราจะเห็นว่าก็เป็นระดับธรรมุปาทานคือไปยึดมั่นในธรรมะที่จริงเป็นความดีแต่ว่ามันไม่ถึงชีพไม่ได้ถึงที่สุดไปยึดอยู่ตรงนั้นมันก็เสี่ยงหยุดหมายปลายทางก็ยังไม่ถึ ง, ย, ง, ถงยังไม่ถึงครึ่งทางดีเลยทั้ทงไป เพราะนั้นก็ต้องการความสิ้นไปแห่งอุปาทานต้าสิ้นปไปใจจอุปาทานแล้วเป็นยังไงใจก็สงบดับเย็นตัญหาดับอุปาทานดับพบดับจนถึงขชาชรามณะโสกะฏปเทวทุกขโทมมณะอุปาญาตก็ดับตามไปอุปาทานนั้นมีอยู่สี่ประการคือหนึ่งกามุปาทาน จิตที่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่จิตกำหนดว่าใคร่ทีนี้ถ้าเหล่านี้ท่านเพ่งฌานอยูอ่แต่เพ่งฌานแล้วท่านพยายามคือมีความเพียรเนี่ยมีมีมีความเพียรทางการป้องกันบาททั้งการจัดบาตร์ั้งเพิ่มพูนความดีทางรักษาความดีขึ้นไปปริมาณของความสหกก็สูงขึ้นสูงขึ้นปริมาณของปัญญาก็สูงขึ้นสูงขึ้น อ, อจิตมันก็เพิกถอนตัวเองจากอำนาจของกิเลส รวมถึงอุปท า, านด้วยนั่นแหละแต่อุปทานมันยังไม่หมดเพราะว่าอุปาทานเนี่ยไปหมดที่ที่เป็นพระรหันต์เพราะงั้นท่านก็ยินดีในการหมดไปของกาโุปาทานถือมั่นเดือดมากความใคร่ทิฏฐุปาทานถือมั่นนานา่นของทิชฌ์อัตวาทุปาทานถือมั่นด้วยอัตวาทะหรือวาทะวัตตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างน้ น, นเป็นของต น, ตนเป็น เอ่อเป็นตัวเป็นตนอะไรต่อะไรต่างๆจนถึงศีและปตูปารานถือมัน่นด้วยศีลและวัดต่างๆถ้าหมดรูปาทานอาสวะฮิจิตานิบิมุนจิงสูติจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นรูปาทานจิตที่เป็นอย่างนี้เป็นจิตของพระอระหันต์แล้วก็เป็นจองของสัตว์ยอมของ นักปราชญ์นะฮะนักปราชญ์เรียกว่าสัตบุรุษแต่ว่าเป็นยอดของสัตบุรุษก็คือพระพุทธเจ้าพระปฏิเเอร์พระพุทธเจ้พธธาพระอาหารหันต์ทั้งหลายพุทธบุคคลสาประเภทก็เป็นยอดของสัตบุรุษคนอื่นก็เป็นสัตบุรุษที่ลดหลั่นลงมาเราจะเห็นว่าธรรมที่ทําคนให้เป็นสัตบุรุษตัวหลักเนี่ยคือตัวปัญญาอย่างที่พูดถึงรู้จักเขตรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคล ที่จริงก็ปัญญาภาคใช้งานภาคบริหารภาคจัดการนั่นเองนี่ก็เป็นอีกเป็นอีกบทหนึ่งซึ่งแต่ข้อเนี่ยปฏิรัสแสดงไปนิพพานอย่งนั้นเลยแต่ย่าลืมว่านิพพานเนี่ยนิพพานที่เป็นโลกิยะหมายความว่านิพพานอน่อนหรือบางทีก็เรียกว่านิพพานดิบนั้นเราทําได้ทุกข้อเนี่ยเราทําได้ระดับนี้ กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ไม่รู้สิมันก็อยู่ที่แต่ละคนจะต้องพยายามผู้พูดเองก็ต้องพยายามในตัวเองผู้ฟังเองก็ต้องพยายามในตัวเองมันใครช่วย ใ, ใครสงบไม่ได้หรอกนอกจากสติส ม, มัยย่ความเพียรพยายามของบุคคลผู้นั้นที่กระทําลงไปอย่างต่อเนื่องเพราะกิเลสมันก็เกิดต่อต่อเนื่องธรรมะมันก็เกิดต่อเนื่องแต่มันเกิดเรคนละขณะ แต่ทีนี้ถ้าขนาดของกิเลสมันถูกแซงด้วยขนาด ข, าดของธรรมะแล้วขยายกรอบกอบข่ายกว้างออกไปเรื่อยๆพื้นที่ที่กิเลสจะแทรกขึ้นมามันก็ลดลงลดลงลดลงทุกปิดแล้วในสุดกิเลสมันก็ถูกสยบอย่างน้อยก็ถูกสยบไว้ด้วยระดับของสมาธิระดับของฌานแต่ถ้าท่านทําให้หมดสิ้นไปอย่างหมดอุปาทานไปท่านก็บรรลุมรรผลเป็นพระอรหันต์ข้อต่อไปบอกว่า มหาสมุทรหนึ่งแผ่นดินหนึ่งภูเขาหนึ่งลมหนึ่งย่อมไม่ถึงส่วนเสี้ยวโดยการเปรียบเทียบกับความหลุดพ้นอย่างประเสริฐของพระศาสดาเลยหมาย ค, ความความกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรความกว้างใหญ่ไพศาลของแผ่นดินความกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็สูงส่งของภูเขาตลอดถึงลมเนี่ยฮะเราจะเห็นไหมลมมันไปออกนอกโลกหายไปเลย ไปที่ไหนมันข้าสุญญากาศไปเลยแต่ถ้าเทียบถ้าเทียบถึงความหลุดพ้นอย่างประเสริฐของพระศาษษษสดาแล้วเนี่ยมันมันเทียบไม่ได้ไม่ถึงเซี่ยวโดยการเปรียบเทียบกับความหลุดพ้นอย่างประเสริฐของพระศาษษสดาเขาบอกว่าตามปกติแล้วทนายใช้คำว่าเซี่ยวที่สิบหกซึ่งแบ่งสิบหกครั้ง หมายความว่าหนึ่งเซี่ยวในสิบหกส่วนนะเอาไปแบ่งอีกสิบหกครั้งก็ยังเทียบเคียงกับการหลุดพ้นอย่างประเสริฐของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันยุติทุกอย่างปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระรจชากุมารปัญหาอะไรต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเวลานี้สมมติว่าเกิด ในขณะที่ทรงประชดอยู่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นจากข้างนอกแต่ปัญหามันไม่ได้เข้าถึงข้างในหรือไม่ได้เข้าถึงพระไตรของเราองเหมือนกับใบบัวที่ฝนตกมันก็ถูกน้ำามาธรรมดาแต่ใบบัวก็ซึมเข้าน้ําก็ซึมเข้าไปในใบบัวไม่ได้ผลปัญหาประศักดต่างๆที่มันเกิดขึ้นแก่ชาวโลกไม่ได้หมายความว่ามันไม่เกิดแก่พระพุทธเจ้าเลยมันก็เกิดอะมันก็เกิดอย่างที่มันเกิดอ่ะ พระพุทธเจ้าก็ประสบนาวร้อนสนุกทุกเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ยึดมัน่นหรือมั่นในหนาวในร้อนในหิวในกระหายที่มันเกิดขึ้นเพราะพระไถยไม่มีความยึดมั่นหรือมัน่นเป็นการกระตุ้นเตือนให้เราเหล่าพุทธบริษัทนี้เกิดความกระตือรือร้นที่จะได้เดินทางให้ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปอีกนิดหนึ่ อย่างน้อยที่สุดมีสมาธิอย่างน้อยที่สุดไม่จะมีสมาธิอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในสี่ธรรมอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในสีน่ธรรมอยู่ในศี่ห้าอยู่ในกัลยาณธรรมห้ากัลยาณธรรมห้าก็โอ้โหโยเยอะแล้วนะฮะเรามีเมตตาเรามีส ม, มาชีพเรามีความสำรวมในทางกามเราบํารงสัจจะเรามีสติเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่ละ จากจุดนี้เป็นฐานแล้วก็ไปได้ถึงนิพพานนะ น, นะครับเพนสีเล น, นีนิปุติงเห็นติท่างฟังลองดูว่าจิตจิตมันเดินไปจนถึงจุดหนึ่งมันเป็นกัลยาณธรรมเพอกรัลยาณธรรมมันกิ่งก้านสาขามหาศาลมากแต่แต่ละข้อเนี่ยเอาเมตตาข้อเดียวก็ไปริบ ล, ล้นพนประมาณแล้วเรียกมีสมามะชีพดึ้งชีพในทางจิตชอบ ทุกขั้นตอนของการสแสวงหาการได้มาการถือครองการบริโภคใช้สอยการจับจ่ายการแจกแบ่งการเก็บออมทุกขั้นตอนเนี่ยยุติโดยเหตุผลและความดีเท่านั้นตอนั้นประเด็นตรงนี้จึงเป็นการเชีย่ยวเห็นว่าคุณธรรมแน่นอนสูงส่งทั้งนั้นญาต่อการจะปีนป่ายแต่เป็นเรื่องที่จะต้องฟางความประหย พระ菩萨ดิบุตรท่านก็มาจากสามัญชนแม้พระพุทธเจ้าท่านก็มาจากสามัญชนพระโมคคานะก็มาจากสามัญชนสามัญชนเป็นพระอริยะไม่ใช่พระอริยะมาเป็นสามัญชนโดยระบบการปฏิบัติพัฒนาใจของสามัญชนนั่นแหละถึงจุดหนึ่งก็ทําให้ท่านเป็นพระอริยะดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ทุกข้อนี้น่าสนใจด้วยกันทั้งนั้น แล้วท่านก็บอกว่าพระเถระผู้หมุนจักที่พระาศาสดาทรงให้หมุนไปแล้วให้หมุนไปตามผู้มีความรู้มากผู้มีจิตตั้งมัน่นเป็นผู้เสมอได้แผ่นดินน้ำและไฟย่อมไม่ยินดียินร้ายเลยนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างยกตัวอย่างจากใครอ่ะคุณสมบัติอย่างนี้เป็นใครอ่ะนอกจากพระพุทธเจ้า เป็นการสะท้อนมาจากจิตของท่านแต่ท่านไม่บอกว่าเป็นท่านเป็นการสะท้อนมาจากจิตของท่านผู้หมุนทำไมาจากที่พระาศาสดาทรงให้หมุนไปแล้วให้หมุนไปตามเป็นลักษณะของปัญญาที่ปัดเปืองที่สุดรองลงมาจากพระพุทธเจ้าผู้มีความรู้มากก็หมายความมีปัญญามากนั่นเองมีจิตตั้งมั่นก็คือสมาธิ ต, ตั้งมัน่น มีจิตเสมอด้วยแผ่นดินด้วยน้ำด้วยไฟย่อมไม่ยินดียินได้เราจะเห็นว่าแผ่นดินในี่ใครจะบูชาด้วยดอกไม้ของหอมต่างๆก็ดีหรือว่าเทของสกปรกลงไปก็ดีถ่ายอุจจาระลงไปก็ดีทำอะไรก็ดีแผ่นดินไม่เคยยินดีและไม่เคยยินได้น้ำก็เหมือนกันแกไหลผ่านของสกปรกบ้างของไม่สกปรกบ้างของสะอาดบ้าง ของกึ่งสะอาดบ้างแต่แกก็ไม่ยินดียินรายอะไรไฟไหมอะไรก็ได้อุตรุดไปเลยนะไหมของเหม็นก็ได้ของหอมก็ได้ของที่ราคาแพงก็ได้ของไม่มีราคาก็ได้แต่ไม่ยินรายในของที่ไม่มีราคาไม่ยินดีในของที่มีราคาเพราะจิตใจของคนที่ระดับนี้นะหมายความว่า กิเลสเป็นเหตุโลเลเป็นเหตุให้เกิดมายาภาพต่างๆเนี่ยมันสงบไปหมดแล้วไม่ใช่สงบหมดแล้วคือดับหมดแล้วนี่ท่านสะท้อนจากภาษาดิบุตรเองเป็นการบอกสภาพจิตของท่านบอกเล่าสภาพจิตของท่านแต่ว่าตะกกนควังมไม่สังเกตก็ไม่รู้่นะว่าท่านยกมาจากจิตของท่าน แต่ เ, เรารู้เพราะเรารู้ข้อมูลเกี่ยวกระสารีบุตรที่หลังคนรุ่ดก่อนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกพระหันก็คือพระรูปหนึ่งอะ่ะเดินไปเดินมาอยู่ก็ ก, ก็ก็คือคนคนหนึ่งอะภายในใจของท่านเท่า น, น, นั้นเป็นอรหันต์แต่ตัวอื่นไม่ได้เป็นตัวอื่นนั่นเป็นโลกิยะเป็นโลกุตระายู่เฉพาะประเทศไทยอยู่เฉพาะจิตใจของท่านเพราะฉะนั้นคนอื่นฟังเนี่ย ถ้าไม่รู้จักชัดเจนในภาษาลิบุตรมาก่อนก็ไม่เข้าใจวันนี้เป็นการบอกเล่าถึงสภาพจิตของท่านเพราะท่านจะไม่หวั่นไหวกับอะไรยันที่เคยเล่านะนันตะยาคเนี่ยเอาค้อเหล็กมาทุบหัวท่านในขณะที่เข้าสมาบัติท่านก็ไม่รู้สึกนะคืออยู่ในสมาบัติเนี่ยไม่รู้สึกอะไร เขาถล่มทลายท่านก็ไม่ดูอะไรแต่ว่าเอามีพราหมณ์คนหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งเขามีชาวบ้านเขาพูดว่าพระสารีบุตรเทราเนี่ยไม่เคยโกรธใครเลยพราหม์บอกมันเป็นได้ยังไงคนไม่เคยโกรธมันเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ตกลงมาเถียงกันคนหนึ่งยืนยันแกคัดค้านพราม์บอกถ้าอย่างนั้นต้องพิสูจน เลยเดินถือถือไม่พลองไปนะฮะพระสารีบุตรเดินบิดตะบักลางวันเดินบิดตะบัย่องมปข้างหลังตีโครมลไปเลยทีนี้ไอ้คนที่พันนั้นเนี่ยมันโกรธคือพระสารีบุตรท่างก็เดินเฉยทๆไปหักลับมาแต่ว่าประชาชนนี่โกรธมากจะรุมประชาท่านเอาพระสาริบุตรก็หันมา ถ้ามาทําอะไรกันโยมในพราหมณ์คนนี้มันตีหัวพระคุณเจ้าพรผมก็ต้องตีหัวมันด้วยตถาดีบทเ้าก็ตีหัวโยมหรือเปล่าเขาไม่ได้ตีแล้วก็ตีใครล่ะตีพระคุณเจ้าแล้วอัตมาไม่ได้ว่าอะไรนี่ไม่ได้ว่าอะไรตธวทายาติโยมก็แยกย้ายกันไปนั่นเป็นบทพิสูจน์ถึงความไม่ยินดียินได้ในอารมณ์ที่มากระทบ สำหรับพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเป็นของท่านอย่างนั้นเองธรรมดาของพระอาหารหันต์ทั้งหลายแล้วท่านเป็นของท่านอย่างนั้นแหละเป็นผู้ที่อาจาะโลคือไม่หวั่นไหวเป็นตาที่โนคือคงที่ไม่หวั่นไหวไม่ฟูไม่แฟบไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่มากระทบไม่ว่าจะมาจากอะไรก็ตาม ข้อต่อไปท่านบอกว่าเป็นผู้บรรลุปัญญามีธรรมแล้วมีปัญญามากเป็นนักปราดผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคนเข่าแต่มองเหมือนคนเข่าเป็นผู้ดับสนิทแล้วท่องเชี่ยวไปอยู่ทุกเมื่อไอ้ น, นี้ก็เหมือนกันคือหมายความว่าคําว่าพระเทเร่ผู้หมุนธรรมจักที่ประศ า, ศาสดาสรงให้หมุนไปแล้วให้หมุนไปตามเนี่ย พอมาถึงข้อที่ร้อยสิบสี่ก็ที่จริงก็ต้องเติมข้อความไม่เต็มว่าพระเถระผู้บรรลุปัญญามีธรรมแล้วปัญญาบารมีทมแล้วมีปัญญามากเป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคนเข่าแต่มองเหมือนคนข่าวเป็นผู้ดับสนิทแล้วท่องเชี่ยวไปอยู่ทุกเมื่อ นี่ก็เป็นการสะท้อนมาจากท่านเป็นต้นนะฮะคือตัวภาษารนบุตรเองเป็นต้นไปคุณสมบัติคืออะไรล่ะคือมีปัญญาบารมีที่สมบูรณ์เพราะการบรรลุธรร ม, มระราหันทั้งก็ปัญญาบารมีสมบูรณ์ด้วยกันทั้งนั้นน่ก็แสดงว่ามีปัญญามาก เมื่อมีปัญญามากก็แสดงว่าเป็นนักปราดผู้ใหญ่เมื่อเป็นนักปราดผู้ใหญ่ก็ต้องไม่ใช่คนเข่าวทีนี้การไม่ใช่คนข่าวเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องอออวดอะไรไม่จะต้องแสดงปมเือ ง, องปมเด่นอะไรเพราะน้นคนบางคนอาจจะมองเป็นคนเข่าวก็ได้คนอะไรก็ตีหัวยังอยู่เฉยได้ถ้าเจอก็เราแล้วก็เจอดีกันแน่ชาว บ, บ้านก็จะมองอย่างไง คนมาโกลนถูกเพื่อนดา่าถูกรังแกเอ๊ะทําไมไม่สู้ละ่ะทําไมไม่สู้ละ่ะเขาดา่าปล่อยเขาดา่าทําไมแล้วก็มีมือเหมือนกันเอ า, เอาไ ป, ไปโน่นเลยอันนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองอยขึ้นอยู่กับมุมมองของคนแต่วันนี้มันระดับพระอรหันต์นะอย่าลืมมาเป็นระดับพระอรหันต์ท่านฟังจะสังเกตว่าความเข้อนี้ก็จะไขกันหมายความว่าเป็นมันอัญญามัญญาปัจจัยคือปัจจัยซึ่งกันและกัน เริ่มเพิ่มจากบรรลุปัญญาบา ร, รมีคือปัญญาบา ร, รมีในขณะที่บำเพ็ญมันก็ผ่านพบชาติอเ น, นกนั้นนะมากม า, กกายไกลก่อแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ปัญญาต้องสำแดงผลออกมาเป็นการทำลายอวิชชานั่นก็แสดงว่าบรรลุถึงปัญญาบา ร, รมีก็จะเดินเติบโตมา ในขณะที่เดียวกันอวิชาก็เล็กลงไปเล็กลงไปวันถึงจุดหนึ่งบรรลุอรหัตได้เรียกว่าพระเดชสึกเลยพระเดชเอวิชชาออกไปก็ทำให้ท่านมีปัญญามากแน่นอนปัญญาตอนนี้คงที่แล้วนะไม่แกว่งแล้วเมื่อาามีปัญญามากก็แสดงว่าต้องเป็นนักปราดผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคนเก่า แต่ว่าก็ไม่คุยโม้โอวดไม่แสดงโบหานอาปรปะทะจะโต้เถียงอะไรกับใครก็ดูแล้วคล้ายๆเป็นคนคราก็ได้ต่าเหล่านี้เป็นผู้ดับสนิทครับพระหันทั้งหลายเนี่ยดับสนิทแท่องเชี่ยวไปอยู่ทุกเมื่อที่จะเล็กสั่งสอนประชาชนไปในที่ต่างๆ แล้วก็อันนี้ผ่านที่ไหนตอนมาก็ไม่สนใจอ่ะมาไม่มีตัวตนที่จะต้องแบกแต่อนนี้ผ่านที่ไหนก็ไม่รู้อย่างยุบแรกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพระอานหายไปเยอะเลยที่หลังไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนเดีย๋ยในกลุ่มของปุราณะชนินเนี่ยเคยพบแต่พระลักณะชื่อเดียวอยีกหนึ่งพันไม่รู้ไม่รู้อยู่ที่ไหน เอท่านกะริกไปเรื่อยๆไปในการทุกเมื่อแต่ท่านไปไหนที่ไหนล่ะอาจจะมาประเทศไทยอาจจะเทศประเทศพามา่าอาจจะประเทศลาประเทศเเมรที่เขาเชื่อกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าท่านไม่ได้ยึดติดอะไรอยู่เลยมันเหินไปคล้ายๆกันนกมีปีกแลเหินไปในอากาศไม่ได้ข้องเกี่ยวไม่ได้เกาะเกี่ยวอยู่กับอะไรเลยแล้วก็ ถึงเวลาจะนิพพานทักก็นิพพานอ่ะไม่ได้มีการตรัียมอะไรเลยบอกนิพพานก็คือนิพพานไม่อินดียินไล่เลยอย่างพระนางมหาประชาบดีโคตมีกับพระเทรีมีเน่ทั้งหมดนั่นแหละทั้งพระพัฒากัจจานาคือพระนางยโสธราพิมพาหรือพระรูปปนันทาปุสาขญาณีทั้งหลายเนี่ยท่านหมดอายุพร้อมๆกัน กราบทูลลาพระพุทธเจ้าแสดงอิทิปาริหารถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาแล้วก็ลอยขึ้นไปแนากาศแล้วก็นิพัทธพระธาตุก็ร่วงลงมากองที่ข้างล่าไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ยินดียินได้เลยแต่นี้คนที่มองเห็นคุณค่าเขาเรียนตรงนี้ก็จะรู้สึกเคารพนับถือบูชาในตัวท่าน แล้วก็นำมาบูชามันก็เป็นสังคานุสติคือการอึกถึงคุณของพระสงฆ์วันก่อนไปคือที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประไทยไทยเวลานี้มีคณะอุบาสิกากลุ่มหนึ่งมีแม่ชีเป็นหัวหน้าเขามาสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคือหลวงพ่อองค์ดำที่อินเดียนะฮะแล้วก็หลวงพ่อแม่ตา พุทธเมตตาที่ประสีมาโภแล้วก็พระพุทธรูปปางนิพพานที่กุสินาราก็เป็นการแกะสลักจากหินแล้วก็มาทำพิธีเขาเบิกพระเนตรมาแล้วจากเชียงรายนะฮะแต่ว่าก็มาทำพิธีบรรจุเป็นสิ่งเคารพสักการะลงไปในพระเม่าลี ก็มีญาติโยมผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอายุแปดสิบกว่าแล้วก็ประรบเรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังว่าแกได้พระบรมสารีกาธาตุมาแปดองค์เอาไปถวายไว้ที่วัดแห่งหนึ่งก็ไม่ได้ถามเราก็ยืนฟังเฉยๆจะบอกว่าในพรรษาปรากฏว่าพระธาตุเสด็จกลับหมดเลยสเสด็จไปไหนไม่รู้ แล้วท่านไปก็เจอเจ้าวาดโบพระธาตหายหมดแล้วโยมก็ถามว่าแล้วพรรษานี้ท่านจำพรรษาที่ไหนโบไปจำพรรษาที่อินเดียจำพรรษาที่ต่างประเทศทิ้งวัดเอาไว้พระธาตุก็เลยเสด็จกลับหมดทําพิธีอาราธนาเชิญเสด็จกลับปรากฏว่ากลับปรากฏว่ากลับมาได้แต่ส่วนใหญ่ท่านเหล่านี้ก็จะเคารพนับถือพระบรมสาริกธาตุมาก เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเขาซึ่งคนที่ไม่มีประสบการณ์นั้นก็พูดยากแต่คนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็เชื่อในเรื่องเหล่านี้บางคนก็เอาจริงเอาจังมากบางคนก็ไม่ถึงก็เอาจิงเอาจังอะไรเท่าไหร่แล้วก็พร้อมที่จะแจกจ่ายไปให้ก่คนอื่นนี่ยคือทําให้เรามองไปไปไ ป, ไปสอดรับกับตรงนี้ว่าท่องเที่ยวไปอยู่ทุกเมื่อ ประหารนั้นท่องเที่ยวไปอยู่ทุกเมื่อเฮ้ทุกเมื่อนี่ก็ไปได้เรืยแล้วก็ย้อนกลับมามันไม่มีห่วงใหญ่อยู่ข้างหลังไม่มีห่วงหน้าเพราะวงหลังทําให้ท่านไปก็ไปได้เลยอีปีก็ไม่รู้ว่าไม่กลับไปนิพพานอยู่ยที่ไหนในที่ต่างๆที่เราพบพระธาตุในถ้ำในถ้าลึกๆ ทากภูเขาในแต่ละภาคเนี่ยก็พอบเยอะแตถวประจวบแถวเขาสามรอยอดรต์อะไรต่า ง, างๆก็มีอยู่เยอะนั้นเป็นเรื่องที่เราเพิ่งมาตื่นตัวกันเมื่อไม่กี่ปีมานี้แต่พอมานึกถึงตรงเนี้ยก็ทำให้นึ ก, ก็เออในนี่จะจริงก็ราะเคยตั้งข้อสังเกตมานานละเอ้ยพระอาราี่หายไปไหนหมดเพราะตอน ป, ปลายๆนี่ชื่อทั้งหายไปหมดละเลยนะะ เพราะตอนต้นๆเนี่ยตอนบวชเนี่ยเรารู้จักเฉพาะหัวหน้าแล้วก็ไม่บอกว่าบริษทัทบริวารกี่รูปบางทีก็รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออย่างไงบ้างเพราะว่าเวลาเราพบพระธาตุเนี่ยปรากฏว่าชื่อแปลกๆที่เราไม่เคยได้ยินมีเยอะแต่ว่าคนที่ได้เนี่ยเขารู้ แน่นอนและคนเหล่านี้ก็ต้องฝึกสมาธิต้องปฏิบัติธรรมะมาอย่างต่อเนื่องพระทาตุจึงเฉิเสด็จไม่งั้นก็ไม่ไม่เสด็จหรอกก็ต่อไปท่านบอกว่าพระศาสดาเราได้อยู่ใกล้ชิดแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทำเสร็จแล้วภาระหนักก็โปรง่งลงได้แล้วตัณหาที่นำไปสู่ภพหม่ก็ถอนขึ้นได้แล้วนี่เป็นการบอก เป็นการปฏิญาณสถานะของตนตามความเป็นจริงว่าพระศาสดาเราได้ใกล้ชิดใกล้ชิดส่วนพระสรจ ร, ระนั้นแน่นอนเป็นพุทธุ ป, ปถาแต่ไม่ใช่เป็นอักษรบกฝ่ายขวาถ้าท่านอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าเวลาประชุมสงฆ์ก็ท่านก็ต้องอยู่ข้างขวาพระหัตพระัตังขวาของพระพุทธเจ้า โมคคัลลานาก็อยู่พระหัต ด, ด้านซ้าย น, นั่งกระนาบพระพุทธเจ้ากับคู่กับพระโมคคัลลานะแต่ตรง น, นี้เป็นเรื่องที่น่ า, น, าน่าสังเกตอีกนะคือว่าเวลานั่งเนี่ยมันก็อาัศานะต่างพระพุทธเจ้าก็มีอาัศานะส่วนพระองค์พระสารีบุตรก็มีอัศนาส่วนตัวพระโมคคัลลานาก็มีอัศนะส่วนตั ว, าา ว, ตวแต่ถามว่าสูงต่ําล่ะ สูงต่ำมันก็สูงกันแบบผ้าสูงไงคือสูงจะดูไม่ออกว่าสูงหรือว่าต่ำแต่ว่านั่งบนอาสนะเดีกันทีนี้เราถือกันมากในระยะหลังเนี่ย่จนบางทีเราก็ไม่ยอมให้ภาพของพระสงฆ์เนี่ยไปปรากฏอยู่ต่อหน้าพระประธานคือรูปหล่อของพระสงฆ์เนี่ยไม่ต้องการให้ปรากฏต่อหน้าพระประธาน ท่านฟังที่เคยไปวัดบรวณไปที่ประโบสถจะเห็นว่ามีรูปพระสงฆ์อยู่อยู่หน้าพระพักพระพุทธจิตนาสีพระสุวรรณสุวรรณภูมิพระสุวรรณอะไรเนี่ยพ ร, พระใหญ่หลวงพ่อโตก็นีที่จริงเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ทำเราเองเราก็ไม่กล้าทำหรอกไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นถืออะไรเพียงแต่ว่าสังคมก็ถือกันสังคมก็ถือกันเป็นเรื่องกไปมากแล้วนะตาม จ, าจังหวัดต่างๆหลูกพ่อที่ครางมีรูปพระที่ครางครางเนี่ยบางทีก็อยู่ข้างหน้าพระประธานก็ช่วยประทะพระประธานเอาไว้แม่ก็ไปปิดทองท่านก็ลูกพ่อก็รับทองแทนตัวเองแล้วบางทีก็แยกนะอย่างแยกเดี่ยวกัน แต่ถ้าเรามองภาพจริงๆมองภาพจริงๆจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ไม่ได้ห่างไกลกันอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็เป็นบรรยากาศของาศาสดากับสาวกที่มีการคารบยกย่องนับถือกันอย่างสูงหมายความพระพุทธเจ้าเองก็ชื่นชม ภาษาโวกภาษาโกเองก็ชื่นชมต่อพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความแบ่งแยกตรงนี้เป็นเรื่องที่เราขาดการศึกษาแต่เราใช้ความเชื่อเชื่อจนเป็นอุปท า, านถ้าเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อเชื่ออย่างนั้นน่ยก็ว่ายัางไงก็เชื่อตามเขาไปเด้แต่เรานึกถึงภาพที่เนี้ยที่พระสารีบุตรเล่าเนี่ยพระาศาสดาเราได้อยู่ใกล้ชิดแล้ว ในส่วนกายเราเห็นได้ชัดในส่วนพระไตรนั้นส่วนจิตใจนั้นแน่นอนว่าใกล้ชิดมากมาความว่าสารีบุตรก็สุดยอดของสาวกทางปัญญาในในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็มีปัญญาสุดยอดของศาสดาพระสารีบุตรก็บริสุทธิ์ในสุดยอดของสาวกพระุทธเจ้าก็บริสุทธ์สูงสุดในฐานะของศาสดากรุณาพระสารีบุตรก็กรุณาสูงสุดในฐานะสาวก พระพุทธเจ้าตระหนักสูงสุดในฐานะที่เป็นศาสดาก็แสดงว่าใกล้ชิดมากเข้าถึงธรรมะธรรมะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นธรรมกายอย่างที่พูดกันนะครับที่พระเจ้ารับสั่งกับพระวักกะลินั้นบอกว่าวักกะลีพิกขุจงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายแต่ถาโคตเป็นของเปลือยหน้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราชื่อว่าผู้นั้นผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม วันนี้ทําก็คือเห็นอรียสสตีพระอุตตเจ้าก็สัพพยุตยานนะก็คืออรียสสตีเหมือนกันนั่นแหละนี่ก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงหริบเบื้องหลังอีกทีหนึ่ง น, นะฮะเบื้องหลังอีกทีหนึ่งว่าเออโครงสร้างของสังคมในสมัยนั้นาศาสดากับสาวกใกล้ชิดกันมาไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็พูดจาพูดคุยกันไม่มี ไม่มีเจ้ายศเจ้าอย่างอะไรแต่ดเลยไม่มีอัตราที่จะแบกหามเอาไว้ไม่มีความยึดมั่นถือมันในเรื่องอะไรแต่เราเทียบพระเราในปัจจุบันเนี่ยเธ อ, อสมนัสสักยิ่งสูงในยศยศยิ่งยิยิ่ ง, ย, ง, ย, ง, ย, งยิ่งเขื่องนะฮะเข้าใกล้ ย, ยากพูดยากบางทีก็ไม่ได้พูดกันนะเป็นปีๆเลยแต่พระผู้น้อยก็คอยหลบไม่ยอมใกล้ใกล้ แต่ว่าปกล้แล้วบางทีก็ไม่สบายใจนะฮะแต่ที่จะได้สบายใจเราก็ไม่สบายใจแต่ถ้าใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าสุดสุดแหละสุดสุดมีปีติมีประโมทไม่เสียชาติเกิดอ่ะประคุปใจได้ตลอดไปคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติสมบูรณ์หมดแล้วสมบูรณ์ดาวที่ทรงสัจจรู้มาทรงสัจรู้มาอย่างไงท่านก็ปฏิบัติได้สมบูรณ์ตามนั้น ทั้งการศึกษาทั้งการปฏิบัติทั้งการสัพพัฒน์ผลทั้งการนําไปเผยแผ่ทั้งการดูแลรักษาศา ส, สนาพาดหนักก็โปร่งลงได้แล้วไม้ความอาการแบกขามขันเนี่ยออความเป็นของเราความเป็นเราความเป็นตัวเป็นตนของเราที่แบกขันเนี่ยเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเราเราเรามีอยู่ในขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเนี่ยมันมันเลิกแบกเลยมันไม่มีไม่มีขันให้แบก เพราะอะไรอ่ะเพราะตันหาที่เคยนําไปสู่พบน้อยพบใหญ่เนี่ยมันถูกทําลายไปแล้วมันไม่มีโอกาสเมื่อไม่มีตันหาตันหาดับอุปทานดับอุปทานดับพบดับพบดับชาติดับจะดับชรามนโสโกราภิเทวทุกขโธมนาตุปายะก็ดับตามไปเป็นแถวถ้าฝังอะไร เสียงธรรมจากมาวิทยาลัยสรีปทุมในวันนี้ขอยุดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี